สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตเพเยซู176ตอนความร่ํารวยซีรีส์ต่อไปนี้ที่พี่น้องจะได้ฟังในทุกๆเช้านะครับเกี่ยวข้องกับความมั่งมีหรือความร่ํารวย น, นั่นเองพูดถึงความร่ํารวยนี่นะครับทุกคนชอบครับไม่มีใครไม่ชอบถ้าเราร่ํารวยแล้ว เราได้เป็นพระพรกับคนอื่นได้เป็นพระพรกับแผ่นดินของพระเจ้าได้มีโอกาสมีส่วนร่วมมีการขยายแผ่นของพระเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่อย่างไงก็ตามครับการที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะพระเจ้าหรือคําสอนของพระเยซูเกี่ยวกับคนที่มั่งมีหรือคนร่ํารวยและความมั่งมีและความร่ํารวยนั้นในัวบทที่หกข้อที่สิบเก้าถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดได้วางหลักการนะครับ วางหลักการท่าทีทัศนคติที่มีต่อทรัพสมบัติหรือที่เราอยากจะเป็นคนที่มั่งมีหรื่ำรวยโปรดฟังพงงระเจ้ามัทบทที่หกข้อ ส, ส, สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดยาสัมสมทรัพสมบัติไว้สําหรับ ต, ตัวในโลกนี้ที่อาจเป็นสนิมและแมะลงกินเสียได้แต่ที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสัสมสมทรัพสมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และไม่มีขโมยขุดช่องลักไปได้เพราะว่าทรัพสมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอย่าสํมสมทรัพสมบัติไว้สาหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสัมสมทรัพสมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นพี่น้องครับในโภชนาพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นว่าการเสียเงินนั้นเป็นสิ่งที่เสียได้ครับมีสามช่องทางที่เราจอเสียนะครับเงินที่เราสะสมไว้ก็คือเงินที่เป็นสนิม น, นะครับมแมลงที่กินเงินนั้นและขโมยที่ขุดช่องและห่อไป้นะครับนี่คือสามทางสามช่องทางนะครับการเป็นสนิมก็คือถ้าคุณเก็บ โลหะนะครับมันก็เป็นสนิมถ้าคุณเก็บเป็นแบงก์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสะสมทรัพย์ในรูปของธั ญ, ญพืชในรูปของโกดังที่เก็บข้าวในรูปของอะไรต่างๆก็สามารถที่จะสูญเสียไปได้และที่สําคัญก็คือถ้าคุณเก็บเป็นของมีค่านะครับขโมยก็อาจขุดช่องลักเอาไปได้นะครับสามช่องทางที่เสียแล้วเพียงแคเงินทองทรัพย์สมบัตินั้นเสียไปได้ไม่ยากนะครับเสียไปไง่ายๆ การที่เราจะต้องเรียนรู้คำสอนของพระเยซูเกี่ยวกั บ, กบความั่ำรวยของคริสเตียนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นเพราะอะไรครับเพื่อเราจะมีท่าทีเราจะวางตัวถูกต้องกับเรื่องของเงินทองกับเรื่องของทรัพย์สมบัติกับเรื่องของความั่ำรวยบั่งมีวัตถุประสงค์ที่พระเยซูได้สอนเราให้เราเข้าใจท่าทีนะครับของคริสเตียนเราจะต้องมีต่องเงินทอง จริงๆแล้วความมั่งมีหรือเงินทองนั้นเป็นที่สิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตครับและเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการเป็นพยานของพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะมีท่าทีต่อเงินทองอย่างไรคนอื่นที่ไม่เป็นคริสเตียนเขามองอยู่ครับในระดยวกันครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบท่าทีของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับพระธรรมมัทธิวที่หกที่นี้และในพระธรรมอีกข้อหนึ่งนะครับอีกตอนหนึ่ง ซึ่งเป็นคำอุปมาเกี่ยวข้องกับความมั่งมีอยู่ในลูกาบทที่สิบหกครับลูกาบทที่สิบหกเกือบทั้งบทเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่งมีนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์ต่อไปนี้เราจะได้ยินนะครับได้ฟังถึงลูกาบทที่สิบหกนะครับซึ่งเป็นคำอุปมาเกี่ยวข้องกับความว่ามึงมั่งมีแต่ในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนําพี่น้องให้มาถึงความจริงประการหนึ่งก็คือว่า จริงๆแล้วคนที่ร่ำรวยนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรมากกว่าคนที่ยากจนหรือไม่นี่คือคำถามนะครับที่จริงแล้วคำตอบ ก, ก็คือคนที่ร่ำรวยมีคุณค่าไม่ได้มากกว่าคนที่ยากจนหรือคนที่ไม่มีอะไรคนที่มีทรัพย์น้อยไม่ได้หมายความว่าคุณค่าเขาจะน้อยกว่าคนที่มีทรัพย์มากไม่เหมือนกับคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโบสถ์หรือนอกหัวก็ตาม หลายหลายคนนั้นได้ให้ความสําคัญของคนร่ํารวยและได้นําเอาความคิดทัศนคติที่มีต่อคนร่ํารวยที่อยู่นอกโบสถ์หรืออยู่ในโลกมาใช้ในทุจริตในโบสถ์เพราะอะไรครับเพราะว่าคนร่ํารวยนั้นก็มักจะมีคนเฟ่งใจคนร่ํารวยนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเขานั้นมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มากกว่าคนอื่น คนร่ำรวยมีน้อยคนนะครับที่จะถ่อมใจมีน้อยคนที่จะรับใช้คนอื่นมีน้อยคนที่จะสำนึกว่าการที่เขาร่ารวยนั้นมาจากพระคุณของพระเจ้าหรวอแล้วแต่เป็นพระพรที่เราที่เป็นคนร่ำรวยได้รับบางคนอาจจะไม่ได้ร่ำรวยจากาความสามารถของตัวเองเขาก็อาจร่ารวยจากมรดกครับสิ่งที่เขาได้มานะครับ หรือแม้กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์การเกี่ยวกันในเชิงของการแต่งงานนะครับคนต่างๆที่มีเงินนะครับเราทั้งหลายจะต้องถ่อมใจเสมอว่าเราเองนั้นไม่คู่ควรกับเงินที่เราได้มาแท้จริงแล้วเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้เรานั้นมีเงินพอใช้มีเงินร่ารวยก็ถามว่า พระเจ้ามีวัตถ ouais, ุประสงค์หรือมีพระประสงค์อะไรกับคนที่ร่ำรวยพระคัมภีร์ตอบชัดเจนครับพระเจ้าให้เรารวยเพื่อที่เราจะช่วยคนอื่นพระเจ้าให้เรารวยเพื่อที่เราจะเห็นอกแห็นใจแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นพระเจ้าให้เรารวยเพื่อที่เราจะช่วยขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นผู้นําในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเราเห็นนะครับว่าในสมัยของพระเยซูนะครับคนที่เข็งขด ในศาสนาก็จะไม่ขบหาสมาคมกับคนที่ยากจนนะครับก็คือพวกปริศีก็จะไม่ไปยุ่งกับพวกคนเก็บภาษีนะครับหรือแม้กระทั่งพวกที่ยากจนคนเก็บภาษีในสมัยก่อนนั้นก็เป็นคนร่ารวยนะครับแต่เขาไม่เคร่งศาสนาแต่เคนเคร่งศาสนาก็เลยอีกกันคนรวยที่ไม่เคร่งศาสนาออกคนรวยที่ทําบาปออกพี่น้องครับ พระเยซูติดต่อกับคนยากจนครับพระเยซูติดต่อกับคนเก็บภาษีพระเยซูติดต่อกับพวกฟาริสีนะครับแต่ในที่สุดแล้วคนยากจนดีใจคนเก็บภาษีกลับใจแต่คนยิวไม่พอใจครับพระเยซูต้องการให้เราทั้งหลายเข้าใจว่าความยากจนมักีไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนคนนั้นกับพาาระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญก็คือคน ที่มั่งมีหรือยากจนไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนคนนั้นกับพระเจ้านะครับขณะที่พระเยซูเล่าเรื่องอุปมาในลูกาบทที่สิบหกนั้นพระเยซูอยู่ในแคว้นเพเรียครับแควนเพเรียนีอ้ออยู่ที่ด้านหนึ่งของแม่น้ําจอแดง น, นะครับด้านหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําจอแดงเมื่อพระเยซูเล่าคําอุปมาสองเรื่องต่อไปนี้คำอุปมาเรื่องแรกคือเล่าให้ อัครสาาวกและพวกฟอริสีฟังกันนะครับอย่างทั่วหน้าเลยเพราะพวกนี้พวกฟอริสีนั่นเป็นพวกที่รักเงินและเยอะแยะยพี่เยซูนะครับพี่เยซูก็เลยเล่ากับโอมานี้ในเรื่องที่สองนะครับเปรียบเทียบคนมั่งมีกับพวกเขาเพราะฉะนั้นในวันต่อไปนะครับพี่น้องจะได้ยินคำโอมาที่พี่เยซูเปรียบเทียบและคําสอนของ คนที่ศักดิ์สทธิและคนที่ไม่ศักดิ์สทธิในของต่างๆขอบพระเจ้าจช่วยแล้วนะครับในวันนี้ให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของเงินทองนะครับเงินทองทุกคนอยากได้ครับแต่ให้เรามีความพึงพอใจเพียงพอและมีความรู้สึกที่เราจะต้องมีภาระในการช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเรามีเงินเหลือเมื่อเรามีเงินมากเมื่อเรามีความรู้สึกว่า อืมเราร่ำรวยแล้วพี่น้องครับคนที่ร่ำรวยคือคนที่รู้จักพอนะครับคนที่ร่ำรวยคือคนที่รู้จักพอขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านในการที่จะเข้าถึงแต่การที่เราจะสลับเอาการถ่วงของเงินทองที่มีต่อชีวิตที่มีต่อการรับใช้พระเจ้าที่มีต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองเหล่านั้นอาเมน